สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู106ตอนความโกรธพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวนี้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่21จนถึงข้อที่26นะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายได้ยินคาซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกที่ปากษาลงโทษ เรบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนําไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอบา้บ้าผู้นั้นจะต้องมีโทษถึงฝไฟนรกแค่นั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่น บ, บูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็ ว, รวในขณะที่พากันไปศาลเกอกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไปไม่ได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนรครบสำหรับเมื่อเราอ่านมัทธิวบทที่ห้าข้อที่ยี่สิเอ็ดจนถึงข้อที่ยีบหกนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงเริ่มแต่ละข้อด้วยถ้อยคำนะครับก็คือท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าถ้าทำอยำ่านี้พระเยซูกําลังแนะนําบทบัญญัติที่คุ้นคุ้นกันดีของคนยิวบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมที่คุ้นค้นกันในข้อนี้ก็คือ อบายโยบทียี่สิบข้อสิบสามครับที่ว่าอย่าฆ่าคนนะครับอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเฉลยธรรมบัญญัติว่าที่สิบหกขอ้อสิบแปดก็เช่นเดียวกันครับมีการตัดสินผู้ที่ฆ่าคนฆ่าชาวยิวฆ่าใครก็จะมีธรรมเนียมที่จะต้องฟ้องกล่าวโทษเผาต่อหน้าผู้ตัดสินหรือผู้พักษาถึงเจ็ดคนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของคณะผู้พิพากษานะครับ ไม่ใช่คุยภาษงคนเดียวนะครับแนวคิดนี้ก็น่าจะวิวัฒนาการมาเป็นคณะลูกขุนในสมัยปัจจุบันนี้พื่อนนะครับกลับไปถึงเรื่องในข้อที่ยี่สิบสองครับเปยซูทรงให้ความหมายใหม่ของคําว่าความโกรธครับความโกรธนั้นก็มีความหมายใหม่นะครับมีโทษหนักพอๆกับการฆ่าคนภาษากรกที่พูดถึงเรื่องของความโกรธนะครับมีสองคำครับคําแรกก็คือความโกรธแบบทูมส นะครับทนะครับและคำที่สองก็มีความโกรธแบบ OK OK o อ g กย์โอเกโอนครับทีเอชยูนครับ most นั้นเป็นความโกรธที่อธิบายได้ว่าเหมือนกับไฟไหม้ฟางแห้งครับไฟจะลุกโหมกระพือ e ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่จะมอดลงอย่างรวดเร็วผู้ผู้ที่มีความโกรธแบบท m o s สนะครับต่อมาความโกรธนั้นจะมอดลงนะครับ ทู m o ส์นะครับในสมัยนี้คงจะพอคุ้นเคยกับศัพท์ที่ว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือร้อนนะครับเทอร์มอสหรือทูมอส s นะครับนั่นเองแต่คำว่าโอเนะครับเป็นความโกรธที่ยาวนานครับมันต่างกันตรงที่ว่าทูมอส์นั้นเป็นความโกรธแบบสั้นๆเหมือนไฟไม่ฟังแต่โอเคนั้นเป็นความโกรธที่ยาวนานและมันลงลึกนะครับมันกินลึกพระเยซูทรงตำหนิความโกรธ ที่เป็นเหตุที่ทำให้คนคนนั้นสาะหาการแกแ้แค้นนั่นก็คือโอเคนะครับความโกรธแบบทูมอสจะกระตุ้นให้ระบบประสาทของร่างกายหลั่งอะดรีนาลนออกมานะครับผลิตอะดรีนาลนเข้าไปในกระแสะเลือดมากขึ้นการกระตุ้นที่แรงนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้คนจะพูดแบบเม่ยั้งกิดครับแต่ความโกรธแบบออเกนั้นจะทําให้คนคิดเครียดแค้นคุณคิดถึงการตอบสนอง ในเชิงลบและยังมีผลต่อสุขภาพของเขาในระยะยาวจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นโรคกระเพาะอันเนื่องจากความตึงเครียด ร, ร่างกายเจ็บปวดกล้ามเนื้อมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของร่างกายและกล้ามเนื้อพระเยซูทรงทราบครับว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูเรียนรู้ที่จะต้องควบคุมความโกรธของเขาและจะต้องไม่ทําผิดข้อพระบัญญัติในข้อที่หกก็คืออย่าฆ่าคนพี่น้องครับ การควบคุมความโกรธนั้นเป็นผลของพระวินญญัามริสถนะครับในข้อสุดท้ายครับก็คือ self c o n r l หรือการบังคับตัวเองพระยซูยังมีข้อห้ามสองประการในข้อนี้ด้วยนะครับว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องไม่ดูถูกดูหมิน่นเขาจะต้องไม่เรียกคนอื่นว่าไอ้โง่ไม่เรียกคนอื่นว่าไอ้บ้าพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นถึงสามระดับนะครับของการโกรธนะครับความโกรธแรกก็คือ โกรธที่เทียบเท่ากับการฆ่าคนความโกรธที่สองนะครับก็คือโกรธจนกระทั่งเรียกนะครับหรือควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเรียกคนอื่นว่าไอ้โง่นะครับโกรธระดับที่สามก็คือโกรธที่เรียกคนอื่นว่าไอ้บ้าคุณทุกท่านมาดูกันพรับว่าความโกรธทั้งสาระดับนี้นะครับมันมีการตอบแทนหรือการลงโทษอยู่ที่นี่ความโกรธแบบแรกนะครับโกรธแล้วเนี่ยจะต้องถูกส่งไปศาลครับ นะครับเพราะความโกรธตรงนั้นเทียบเท่ากับอะไรครับเทียบเท่ากับการฆ่าคนต้องสงสารนะครับแต่มีความโกรธที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติจิตใจที่อยู่ในใจซึ่งเกิดจากการดูถูกดูหมิน่นเกิดจากการเหยียดหยามครับเกิดจากการพูดสามหาวประมาสจบประมาทเป็นการยกตัวเองซึ่งมาจากความหยิ่งละโสนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะยกตัวเองให้เหนือของคนอื่นแล้วก็เรียกคนอื่นว่าเลยครับว่า ไอ้งูนะครับไอ้งูในภาษาเดิมนั้นใช้คําว่าราชาราคานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้สมองตวงนะครับไอ้คนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอันเนี้ยคือคําพูดที่ดูเหมือนว่าในสมัยนี้เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆแต่คําพูดแบบนี้ครับเป็นคําพูดที่เกิดจากการดูถูกดูหมิ่นเป็นคําพูดที่เกิดจากการมีความหยิ่งยะโสจองหองอวดดี ชกประมาทคนอื่นยกตัวเองอยู่เหนือคนอื่นเสมอนะครับทาพูดพวกนี้นะครับต้องระวังให้ดีครับบทของการลงโทษก็คือต้องส่งสารสูงครับสารสูงในที่นี้ก็หมายถึงสภาเซนเททรินนะครับไม่ใช่เป็นโลคอลคอร์ดหรือเป็นสารธรรมดาธรรมดานะครับสารท้องที่นะครับแต่ต้องเป็นสารสูงเรามาดูครับว่าระดับต่อไปคือระดับสูงนะครับ บอกกับคนอื่นหรือว่าพี่น้องของตั ว, วไอบ้าโทษของเขามีถึงไฟเลบครับของไอ้บ้านี้เป็นคำอาฆาตมุ่งลายเป็นความเกียดแค้นนะครับชิงชังฉบับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นฉบับมาตรฐานของภาษาไทยนะครับแปลว่าไอ้โฉดไอ้โฉดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำฟู f w o l ฟู ซึ่งมีความหมายว่าเจตนาร้ายนะครับอันเกิดจากความเกลียดชังครับคือนะครับความเกลียดชังเนี่ยที่น้องของตัวเองนะครับมันเป็นสิ่งที่สุดสุดแล้วนะครับของทั้งสาม ร, ระดับนี้ระดับแรกคือความโกรธต้องเอาไปขึ้นศาลครับระดับที่สองคือบอกคนอื่นว่าโง่ซึ่งเกิดจากความหยิ่งย้โสนะครับเป็นคำพูดที่ดูถูกเป็นการตัดสินเขา ว่าเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถต่ำเป็นกรมปรามาศครับจะต้องส่งไปสาสูงก็คือสภ า, าแสนเทนตินแต่คนที่พูดกับคนอื่นว่าไอ้บ้าซึ่งมีความมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทนะครับเป็นเจตนาร้ายที่เกิดจากความเกลียดชังครับเกิดจากความเกลียดชังพระมีบอกว่าจะต้องมีโทษถึงไฟแล้วเพนครับนี่คือเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับ พระเยะซูบอกว่าไฟนรกนี้เป็นการอ้างถึงเกเฮนหน้าครับซึ่งอยู่ทางุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีเป็นสถานที่ที่มีการเผาขยะของเมืองในสมัยเยเรมีนะครับสถานที่นี้เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่ที่เผาบูชามนุษย์ครับกษัตริย์อาหับก็ได้ถวายบูชาเด็กเล็กๆที่นี่ในสมัยของเขาในสมัยพระเยซูนั้นเป็นใช้เป็นที่เผาขยะครับ และเกณ า, านั้นก็จะเป็นลักษณะของการเผาที่มีควันขึ้นมาตลอดเวลานะครับยี่สี่ชั่วโมงคูณเจ็ดวันครับก็คือไม่มีวันหยุดครับเกณนหน้าจริงถูกใช้เป็นชื่อของบึงไฟนรุกที่ไฟนั้นจะจุดอยู่โดยไม่มีวันดับครับพระเยซูทรงทำให้บัญญัติสมบูรณ์โดยทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจะต้องทำอย่างไรกับปัญหาของความโกรธ อันเป็นเหตุที่ทําให้สัมพันธภาพนั้นแตกหักลงในข้อที่สามยี่สี่ครับเพียชูกล่าวว่าคนนั้นจะต้องกลับไปคืนดีนะครับนี่คือความสมบูรณ์ที่เพียชูได้ทรงสอนเราก็คือว่าต้องกลับไปคืนดีครับต้องปรองดองและรักษาความสัมพันธ์ก่อนที่เขาจะเข้ามานำมาสการพระเจ้าด้วยกันพวกปุริศีกับพวกรมจาจันเรียกร้องให้คนอาบน้ําชำร ะ, ะร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนเข้าเข้านมาสการพระเจ้าหรือ ก, ก่อนถวายบูชา เปเยซูกำลังตัดว่าจิตใจของคนนั้นจะต้องถูกชำระให้สะอาดด้วยอันนี้คือความสมบูรณ์ของจักรวาลใหญ่ความสมบูรณ์ของจักรวาลใหญก็คือจะต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ใจนะครับเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นในข้อความพี์ที่เกี่ยวข้งของกับความโกรดนี้เปเยซูสอนต่อไปครับว่าคริสเตียนนั้นจะต้องยุติข้อโท้แย้งทั้งหลายนะครับและฟ้องรองกับคู่ความก่อนที่จะพากันไปศาลครับ จงฟ้องรองกันเป็นการส่วนตัวและนั่นจะทําให้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอับอายไม่ต้องเสียเวลาเปรียสวดว่าท่านจะถูกอายัดไว้กับผู้ภาษาและจะต้องถูกถังไว้เรือนจําและออกบัตรที่งานไม่ได้จนกว่าใช้มีเจนกบเพียงครับเดี๋ยวนี้คืสเสียเรานะครับในองค์กรในสถาบันต่างๆมีการฟ้องร้องกันนะครับไม่เป็นที่ถวายเกยเียรติแด่พระเจ้านะครับเราทั้งไหลาแต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําและพระเจ้า จะนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่การให้รางวัลและการงดให้รางวัลขอพระเจ้าวอวยพระพรี่น้องจากทุกท่านอาเมน